ฉะนั้นเมื่อให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทแล้วก็ให้ตั้งจิตที่จะน้อมรับรัศมีแห่งพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้ารับรัศมีแห่งแสงสว่างแห่งดวงระทิพย์ของพระพุทธเจ้าเข้ามาให้เป็นความรู้ความตื่นความเบมิกบานตั้งตนแต่ให้รู้ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออก ให้ตื่นในลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้เบิกบานในลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกและกาหนดให้ความรู้ความตื่นความเบิกบานในลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกนี้มาตั้งอยู่ในภายในภายในกายนี้ และให้ตั้งอยู่อย่างสงบกายใจก็จะสงบเป็นตัวอาณาปานสติสมาธิโดยมีลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกและพระพุทธคุณบดว่าพุทโธเป็นภูนนำต่อไปนี้กข็ขอให้ตั้งใจฟังครูและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป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 ว่าจิต ท, ที่ตั้งไว้ผิดย่อมนำให้เกิดบาปวิบัติยิ่งไปกว่าบาปวิบัติภัยอันตราย ที่โจรจะพึงกระทำให้แก่โจรหรือว่าที่คนมีเวรจะกระทำให้แก่คนมีเวรดังนี้เพราะฉะนั้นการตั้งจิตไว้ผิด จึงมีโทษมากส่วนการตั้งจิตไว้โกูกย่อมให้คุณอ น, นันต์ตรงกันข้ามฉะนั้นเมื่อได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา และได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนาจึงสมควรที่จะรักษาจิตใจของตนอย่าให้ตั้งไว้ผิด แต่ให้ตั้งไว้ถูกอยู่เป็นนิดอันจิตที่ตั้งไว้ผิดนั้นย่อมมีได้ตั้งแต่ผิดน้อยจนถึงผิดมาก การตั้งจิตไว้ผิดน้อยๆก็อาจจะมีอยู่แก่ภูที่ยังมีกิเลสยังละกิเลสไม่ได้หรือกล่าวอีกอย่างหนึง่งยังปฏิบัติให้มีสติ ให้มีปัญญาที่จะรักษาตนรักษาจิตใจให้เพียงพอมิได้ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้อง อบรมสติพร้อมทั้งปัญญาให้มีรักษาตอนอยู่ให้เพียงพอโดยตรงก็คือรักษาจิตนี้เองให้เพียงพอมิให้กิเลสนำไปในทางที่ผิดได้ นันผิดหรือถูกนั่นทุกคนผู้ที่ได้รับการอบรมมาโดยลำดับจากมารดาบิดาจากครูอาจารย์จนถึงจากพระพุทธเจ้าก็ย่อมจะ มีความรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกกันอยู่พอสมควรเรียกว่าความรู้นั้น <c oughs> ก็มีกันอยู่แต่ว่า ถ้าเป็นศักดิ์แต่ว่ารู้เพราะไม่ได้ปฏิบัติดังนี้ความรู้นั้นก็ไม่ให้ประโยชน์อะไรมากและบางทีความรู้นั้น ทำให้บังเกิดพิธิมานะไม่ยอมรับคำแนะนำตักเตือนที่ถูกที่ชอบ เพราะมีความดือ้อดึงถือรั้นว่าจะทำอย่างนี้แหละใครจะว่า ย, ยัางไงเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์ความรู้นั้นกลับเป็นความรู้ที่ทำลายตนเอง ที่ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าคุ้ยไ ข, ข่ฆ่าต้นไผ่คุ้ยไผ่ค่าต้นไข่ขุนคุ้ยไผ่ค่าต้นไผ่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงสมควรที่จะไม่ประมาทความรู้ แต่ว่านำความรู้มาพินิษพิจารณาเอาความรู้ที่มันดาบิดาครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าสั่งสอนมาพิจารณาแต่ไม่เอาความรู้ ทางอื่นมาปกปิดไว้เหนือกว่าไม่นิยมชมชอบความรู้ทางอื่นที่ตรงกันข้ามดังเช่น มารดาบิดาครูอาจารย์พระพุทธเจา้าสั่งสอนให้มีกตัญญูรู้พระคุณท่านภูมีคุณและมีกัตเวทีตอบแทนพระคุณของท่าน และก็แสดงสั่งสอนว่าใครเป็นภูที่มีคุณบ้างเช่นมารดาบิดาเป็นภูที่มีพระคุณเป็นต้นก็เป็นความรู้ที่ทุกคนได้มาด้วยกันแต่ว่าก็ยังได้ความรู้ทางอื่นที่ตรงกันข้าม ที่แนะนำให้ไม่ต้องมีกตัญญูต่อมารดาบิดาเป็นต้นหรือวันแนะนำให้เห็นคุณเป็นโทษคือให้เห็นว่า สิ่งที่นับถือกันมาสั่งสอนกันมาว่าเป็นคนุณที่คนนั้นคนนั่นกระทำนั้นอันที่จริงเป็นโทษไม่เป็นคนุณรู้เป็นเรื่องของคติธรรมดาเมื่อเป็นดังนี้หากไปรับเขา้า ก็จะทำให้ไม่นับถือธรรมะคือข้อความกตัญญูดังนี้เป็นต้นแต่ตัวอย่างที่ยกมานี้ยังเป็นข้อที่ คณโดยมากยังรับสอนให้มีความปัจจัญญูต่อภูมิประคุณและรู้จักพระคุณตามเป็นจริงส่วนยังมีอีกข้อหนึ่ง คนเป็นอันมากมิได้คิดมิได้กำหนดว่าเป็นคนหรือเป็นโทษมิได้กำหนดว่าผิดหรือถูก และก็ยังตั้งจิตไว้ผิดกันอยู่หนึ่งเดืองก็คืออำนาจของกิเลสที่บังเกิดขึ้นในจิตใจในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย เข้ามาทางท ว, วานทั้งหกมีท ว, วานตาเป็นต้นซึ่งก่อให้เกิดราคะหรือโลภะบังก่อให้เกิดโทสะบังก่อให้เกิดโมหะบังและ ก็นำจิตไปตามทางของราคะหรือโลภะไปตามทางของโทสะโมหะดังที่ปรากฏอยู่ในจิตใจอยู่เป็นประจำดังนี้ก็จะพึงเห็นได้ว่า คนเราแพ้อำนาจกิเลสได้ถูกกิเลสนำจิตใจไปให้ใครให้โลบอยากได้ให้โกรธให้ลงในอารมณ์ต่างๆกันอยู่เสมอ ก็เป็นดีใจฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติตั้งใจไว้ในอารมณ์ของกรรมฐานจิตใจจึงมักจะไม่เคอยอยู่ ผกนิวรหนึ่งไปอยู่หนึ่งๆก็แปลว่ามีสติคุมใจไม่เพียงพอมีปัญญาที่จะพินิษพิจารณาไม่เพียงพอแต่ ทุกคนก็จะต้องมีสติต้องมีปัญญาเป็นเพื่อนกันอยู่เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จึงสามารถควบคุมไว้ในใจได้หรือว่าแสดงออกทางกายทางวาจาก็ไม่รุนแรงเท่าไรนะัก แต่ที่คุมใจไว้ไม่ได้แสดงออกมากทางกายทางวาจาก็เป็นการก่อสิ่งที่เรียกกันว่าอาจยา ก, กรรมขึ้นมาเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ด้วยกันทั้งฝ่ายผู้ที่ถูกกระทา คือถูกเบียดฟู้้ที่เบียดเบียนเองเป็นความเดือดร้อนที่ปรากฏกันอยู่ทั่วไปอันนำให้ต้องทุกข์ต้องโทษกันต่างๆดังที่ปรากฏเหล่านี้ล้วนแต่ตั้งจิตไว้พิษทางนั้น และที่แรกก็ตั้งจิตไว้ผิดน้อยน้อยแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นเพราะไม่ได้ควบคมุมถ้าหากว่าได้ควบคุมอยู่เสมอด้วยสติด้วยปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน กำลังของสติกำลังของปัญญานั้นก็จะมากขึ้นมากขึ้นกำลังของอารมณ์และกิเลสแม้จะต้องเกิดขึ้นตามธรรมดาของคนมีกิเลสแต่ก็แพ้กำลังของสติของปัญญาฉะนั้นคนที่มีกำลังสติกำลังปัญญาเพียงพอ จึงสามารถที่จะป้องกันมิให้อารมณ์นำกิเลสเข้ามาสู่จิตใจได้แปลว่าอารมณ์กระตกอยู่แค่ปากประตูตาประตูหูเป็นต้นไม่ล่วงล้ำเข้ามาสู่จิตใจซึ่งจะเป็นทางให้มารคือกิเลสวิ่งเข้ามากับอารมณ์สู่จิตใจ แปลว่าไม่ทอดสะพานเข้ามามารก็เข้ามาไม่ได้ก็คล้ายๆกับว่ามาร น, นั่นก็คอยจ้องอยู่แค่ประตูเท่านั้นเข้าไม่ได้เพราะไม่มีสะพานที่จะเข้ามาดังนี้ก็เรียกว่าเป็นการที่ปฏิบัติป้องกันป้องกัน ให้อารมณ์สักเรี ว, ว่าเป็นอารมณ์เห็นสักเรี ว, ว่าเห็นได้ยินสักแรีว่าได้ยินให้เรื่องตกอยู่แค่ประตูตาประตูหูเป็นต้นมันก็มาเยี่ยมอยู่แค่นั้นวิ่งเข้ามาสู่จิตไม่ได้ดังนี้เรียกว่าปฏิบัติป้องกันาหากมีสติปัญญาป้องกันได้ ดังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการปฏิบัติที่มีระดับดีพอสมควรหรือว่าดีมากพอสมควรป้องกันไว้ได้ เรานี่ถ้ากำลังสติของปัญญาที่ป้องกันนั้นไม่พอการเห็นสักแต่ว่าเห็นการได้ยินสักแต่ว่าได้ยินทำไม่ได้เกิดไปเห็นจริงๆได้ยินจริงๆจริงคือรับอารมณ์เข้ามาสู่จิตใจ เรามาสู่จิตใจก็ปรากฏเป็นราคะบัางโลภะบังโทสะบัางโมหะบัางดังนี้ก็ต้องใช้วิธีแก้คือสติปัญญานี้เองเพ่งพินิษพิจรารณา เป็นสิ่งที่เป็นโทษไม่ใช่เป็นคุณให้กำลังของสติของปัญญาเพียงพอดับลงไปให้ได้คมลงไปให้ได้ดังนี้เรียกว่าสู้ซึ่งหน้า เพ่งพิษฐ์พิจารณาลงไปที่ตัวกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นในใจแบบ่าเดี๋ยวนี้ราคะด้วยโลภเกิดขึ้นแล้วโทสะเกิดขึ้นแล้วโมหะเกิดขึ้นแล้วกําลังกลุ่มรุ ม, รมจิตใจอยู่ทําจิตใจให้ดิ่นรนกวดเป่งกระสับกระส่ายร้อนรุ่มมีโทษไม่มีคุณ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรักษาเอาไว้ไม่ใช่เป็นมิตรแต่ว่าเป็นศัตรูใช้สติปัญญาเพ่งเพงนิดไปเรียกว่าสู้สึงหน้าแต่หากว่ามีกำลังสติปัญญาเพียงพอก็สู้ได้สงบได้ อีกอย่างหนึง่งไม่สู้สนาเลี่ยงไปเสียคือว่าตั้งใจกำหนดอารมณ์ของกรรมาฐานทันทีเช่นตั้งจิตกำหนดลมให้ใจเข้าออกปล่อยใจเสียจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อความกโกรธเกิดขึ้นเป็นความกโกรธในบุคคลชื่อนี้ที่เขามาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขามาทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็ปล่อยจิต จากความคิดถึงอารมณ์นั้นเสียคือปล่อยจิตจากความคิดถึงบุคคลนั้นและเรื่องเหล่านั้นเสียมากำหนดในลมให้ใจเข้าออกให้จิตเข้ามาอยู่ที่ลมให้ใจเข้าออกใช้ปัญญาประกอบเช่น พิจารณากำหนดพุทธคุณว่าพุทโธประกอบดังที่กล่าวมาแล้วถ้าจิตปล่อยอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสได้กิเลสก็จะตกไปโทสะก็จะตกไปจะสงบไปจิตมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐ า, านแทนดังนี้เรียกว่าเลี่ยงไปเสีย เลี้ยงมาจับอารมณ์อื่นซึ่งเป็นวิธีที่จะเป็นการผลักอารมณ์ของกิเลสให้ตกไปเมื่อผลักอารมณ์ของกิเลสให้ตกไปได้กิเลสก็ตกไปจิต ก, ก็ตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานได้ดังนี้ไม่ได้พิจารณาโทษของกิเลส แต่ว่าเลี่ยนมาจับอารมณ์กรรมาฐานแทนให้กิเลสตกไปเองเพราะฉะนั้นเรื่องสาคัญของการปฏิบัติที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ปฏิบัติได้นั้นจึงอยู่ตรงที่จะปล่อยอารมณ์เก่าจับอารมณ์ใหม่ได้หรือไม่เท่านั้น ปล่อยอารมณ์เก่าก็คือปล่อยอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสเป็นที่ตั้งของนิวรณจับอารมณ์ใหม่ก็คือจับอารมณ์ของกรรมฐานและการจับอารมณ์ของกรรมฐานนี่ต้องการสมรถะคือสงบหรือสมาธิก่อน อันหมายความว่าเมื่อจิตยังจับอารมณ์ของกิเลสกิเลสก็รุมรุมจิตดังนี้ทำสมาธิก็ไม่ได้เมื่อทำสมาธิไม่ได้ทำปัญญาก็ไม่ได้เพราะว่าจิตยุ่งอยู่กับอารมณ์ของกิเลสกับตัวกิเลส อานจะฟังธรรมะอะไรก็ไม่รับรู้ท้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติให้ปล่อยอารมณ์ของกิเลสได้เมื่อปล่อยอารมณ์ของกิเลสได้ จึงจะมาตั้งอยู่ในอารมณ์งกรมฐานได้หรือว่าพยายามที่จะมาตั้งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานเพื่อปล่อยอารมณ์ของกิเลส